กจะรู้เรื่อ ง, อง ค, นคนตายคนเป็นมว่าต่างกันตรงไหนคนตายกับคนเป็นต่างกันตรงที่คนเป็นยังหายใจอยู่คนตายไม่หายใจแล้วแล้วคนที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็ไม่ได้ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายทำแล้วถ้าร่างกายยังหายใจอยู่ คนที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็ยังสั่งได้คนที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเหมือนคนขับรถกับรถยนต์รถยนต์เสียคนขับก็ไม่ได้เสียไปกับรถยนต์เพียงแต่คนขับไม่สามารถสั่งให้รถยนต์ขับรถยนต์ไปไหนมาไหนได้ พอรถยนตเสียรัางกายเวลาเสียเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็สั่งให้ไปทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ยังไม่ตายยังมีโอกาสรักษาได้ถ้ารักษาให้หายได้คนสั่งก็ยังสามารถสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่อได้แต่ถ้าร่างกายไม่หายใจแล้ว ไม่ทำงานแล้วคนสั่งก็สั่งไม่ได้แต่คนสั่งก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเหมือนกับคนขับรถก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์รถยนต์ก็พังไปเช่นรถไปขับไปชนกันไปมีอุบัติเหตุคนขับไม่เป็นไรคนขับคนขับจะสั่งให้รถ วิ่งต่อไปก็ไปไม่ได้แนละ้วคนขับก็ถ้ายังต้องใช้รถอยู่ถ้ามีเงินก็ไปซื้อรถคันใหม่แล้วก็ไปขับใหม่จะได้รถใหม่ดีกว่าเก่าก็อยู่ที่เงินมากกอ่มากมีเงินมากไม่มีเงินา น, าน้อยถ้ามีเงินมากก็ซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้ามีเงินน้อยก็ซื้อรถคันใหม่ที่สู้คันเก่าไม่ได้ แต่คนขับนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์คนขับร่างกายคนสั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปคนขับก็ไปซื้อร่างกายอันใหม่ถ้ามีเงินเยอะก็ซื้อร่างกายที่ดีกว่าเก่าถ้ามี เงินน้อยก็ซื้อร่างกายน้อยที่ไม่ดีเท่ากับร่างกายันเก่าเงินที่จะซื้อร่างกายก็คือบุญกุศลน่ะที่เราทํากันเนี่ยอย่างที่เราเอาเงินเทองไปทําบุญกันเนี่ยเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากในธนาคารบุญพอเวลาที่ร่างกายของเรานี้ตายไปเราเวลากลับมาเกิด ได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าถ้าเราทำบุญไว้คือฐานะการเงินการทองก็จะดีกว่าเดิมเพราะเรามีเงินฝากรอเราไว้มีดอกเบีย้ยด้วยดอกเบีย้ยนี่อาจจะมากกว่าเงินต้นราะกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี่ก็อาจจะ ใช้เวลาหลายร้อยปีเพราะว่าเราอาจจะต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนบุญที่เราทำนี้เวลาตายไปนี่เขาจะดึงเราไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปบุญมีกำลังมากกว่าบาปที่เราทำบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ ไปท่องเที่ยวในสวรรค์เหมือนพาเราไปเี่ไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวตามสถานที่ที่วิจิตพิสดารสวยงามมีความสุขมีความเพลิดเพลินเหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันไปเวลาเราฝันดีก็แสดงว่าใจเราได้ไปสวรรค์แล้วเพียงแต่ว่า ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราไปได้ชั่วคราวนะไปได้เดี๋ยวเดียวไปได้ไม่กี่ชั่วโมงไปประมาณช่วงเวลาที่ร่างกายพักผ่อนใจไม่สามารถใช้ร่างกายได้ใจก็เลยใช้บุญพาไปใช้บุญพาไปเที่ยวแทนพอร่างกายละพักผ่อนหลับนอนตื่นมีกำลังตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาใช้ร่างกายไปพาไปเที่ยวต่อแทน แต่ถ้าเรานอนหลับแล้วฝันร้ายก็แสดงว่าเราไปใช่บาปใช้กรรมที่เราทำเช่นเราฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเวลาเรานอนหลับฝันร้ายเราก็จะไปเจอแต่ฝันที่ไม่ดีถูกคนเขาตามฆ่าเราถูกคนเขามารักทรัพย์แย่งแฟนเราอะไรต่างๆสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราชอบไป อันนี้เรียกว่าฝันร้ายเป็นผลที่เกิดจากการทำบาปถ้ามีร่างกายก็ฝันชั่วข้าวฝันหกเจห้าหกชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับมาใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆต่อไปนี่คือใจที่มาครอบครองมาขับร่างกายให้ไปทำอะไรต่าง ตามความอยากของใจแล้วทำไปก็มีผลเกิดถ้าเอาไปทำบุญก็จะมีผลดีถ้าเอาไปทำบาปก็มีผลไม่ดีและเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปรับผลดีหรือไม่ดีที่ทำไว้ เวลาตายไมนี้มันจะไปสองที่พร้อมกันไม่ได้จะไปสวรรค์แล้วก็ไปนรกนี่ไปด้วยกันไม่ได้ไปเหมือนค้นละทิศกันเหมือนทิศเหนือกับทิศใต้อยู่ที่ผู้ที่จะดึงใจไปว่าว่ามีกําลังมากน้อยเพียงไลบุญเป็นผู้ที่จะดึงใจไปสวรรค์บาปเป็นผู้ที่จะดึงใจไปอบาย ทีนี้เวลาร่างกายตายไปใจนี่ก็จะถูกบุญกับบาปเป็นตัวมาดึงไปถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอบายแล้วก็ไปรับรับโทษในอบายจนกว่าบาปกับบุญมันมีกำลังเท่ากันบาปก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในอบายได้ บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปสวรรค์ได้ตอนนั้นก็กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนเวลาที่บุญกับบาปมีกําลังเท่ากันเนี่ยก็เป็นเวลาที่เราจะได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าชาตินี้สมมติว่าเราทำบุญกับบาปเท่ากันบุญก็ไม่มีกําลังดึงไปสวรรค์บาปก็ไม่มีกําลังดึงไปอบายเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บางทีอาจจะกลับมาเกิดเร็ว กลับมาตายไปไม่กี่ปีก็กลับมาเกิดคนบางคนจึงระลึกชาติได้ระลึกสถานที่ได้เด็กบางคนที่เขามีการอาเล่ามาว่าเด็กคนนี้จําที่ตรงนั้นที่ตรงนี้ได้ว่าเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้มานี่ก็เป็นกรณีที่เขา เ, เขาบาปก บ, บุญของเขามีกําลังเท่ากัน ก็เลยไม่ได้ไปอบายไม่ได้ไปไปสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดได้ระยะเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่ตายไปแล้วอันนี้เป็นที่ไปของคนที่มาควบครอบครองร่างกายคนที่ใช้ร่างกายสั่งร่างกายก็คือพวกเรานี่แหละพวกเราไม่ได้เป็นร่างกาย พวกเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราเรียกผู้รู้ผู้คิดนี่ว่าใจเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณผู้รู้ผู้คิดนี่ก็เป็นวิญญาณไปเป็นร่างทิพย์เป็นกายทิพย์ไปถ้าเป็นกายทิพย์ที่มีบุญ so ก็เป็นกายทิพย์ที่เป็นเป็นเป็นกายทิพย์ที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาถ้ากายทิพย์ที่มีบาป มีทุกข์เราก็เรียกว่าเปรตบ้างผีบ้างนารกบ้างสัตว์นรกเลยเียมีแต่ทุกข์มีแต่ความร้อนอันนี้มันจะเกิดขึ้นตอนที่เวลาที่เราตายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญกบับบาปมันจะมาแย่งดวงวิญญาณ น, นี้ไปดวงจิตดวงใจ ดวงผู้รู้ผู้คิดนี่ให้ไปทางของบุญหรือไปทางของบาปหรือถ้าบุญกับบาปมีกำลังพอกันก็หนึ่งก็จะมาเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นท่าชา้านี้เราทำบุญกับบาปพอๆกันบุญเราก็ทำบ้างบาปเราก็ทำบ้างถ้ามีกำลังเท่ากันมันก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปอบายก็ไม่ไป ก็มาเป็นมนุษย์อาจจะต้องรอจังหวะรอให้คนเขาตั้งท้องพอมีท้องมีร่างที่ไปจับจองได้ก็ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายมันก็กิ่งไปกิ่งมาไปสวรรค์บ้างไปอบายบ้างไปนรกบ้างมาเป็นมนุษย์บ้าง มีพระพุทธมีใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอาหารหันตสาวกนี้ที่ท่านไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเป็นเทวดาไม่ต้องไปเป็นเปนเป็นอะไรเพราะใจท่านตัดความโลภความโกรธความหลงได้ตัดความอยากต่างๆได้ความอยากนี่ทําให้ใจต้องมาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะยังอยากจะหาความสุขจากการมีร่างกายเวลามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายนี้ทำไปพาเราไปทาตามความอยากต่างๆเช่นเราจะมีความอยากดูอยากฟังอยากรีบนดดมกลิน่นอยาก ส, ยสัมผัส <c oughs> อะไรต่างๆผ่านทางร่างกายมันก็เลยทาให้เราต้องมีร่างกาย ถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้บุญกับบาปที่เราทําไว้มันจะไม่มีกําลังดึงใจให้ไปทางใดทางหนึ่งพอใจเหมือนกับ อ, อ <c oughs> ไม่ไปตามใจมีกําลังต้านกําลังบุญกับแลากำลังบาปได้แต่ถ้ามีความอยากมันก็จะไปกับบุญไปกับบาป <c oughs> ถ้าไม่มีไม่มีความอยากก็เหมือนกับถ้าเป็นเรือก็เหมือนเรือที่ทอดสมอไว้กระแสะน้าก็จะไม่สามารถทัดให้เรือไหลไปไหนมาไหนได้ถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีสมอไม่ได้ทอดสมอไว้เรือก็จะไหลไปตามกระแสะน้ากระแสะน้าไหลไปทางไหนก็จะไปทางนั้น กายของเราก็จะไหลไปกับกระแสบุญกระแสบาปเวลาที่ไม่มีร่างกายอันนี้นี่คือเรื่องของคนเป็นคนตายไม่มีอะไรน่ากลัวคนตายเขาก็เขากันกลัวคนตายเหมือนกับเราเวลาเขาตายแล้วเราจะไปกลัวเขาทําไม เวลาเขาอยู่เขาก็กลัวคนตายเหมือนกับเราเวลาเขาตายแล้วเขาจะกลายเป็นคนมาทําอะไรเราได้ที่ไหน mm hmm. เขาก็ไปตามอำนาจของบุญกับบาปที่พาเขาไปแต่บางครั้งถ้าเขามีความห่วงใยมีความยึดติดผูกพันกับอะไรมากว่าบางทีเขาก็จะฝืนกำลังของบุญของบาปได้ แต่ได้เพียงเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองเช่นบางคนยังมีความผูกพันกับคนที่มีชีวิตอยู่ก็อาจจะกลับมาเกิดอยู่ใกล้กับคนที่เขาผูกพันถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะเป็นยิงจบเป็นตุ๊กแกก็ไนดะ้เพราะใจยังอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่เขารัก เช่นในสมัยพุทธกาลก็มีเศรษฐีคนหนึ่งแกหาเงินหาทองมาได้มากน้อยแกไม่บอกใครว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแกเอาไปฝังดินกบไว้ไม่อยากให้ใครหวงเงินหวงทองไม่ชอบทำบุญแล้วก็ทำบาปเวลาหาเงินหาทองบางทีก็ต้องโกหกบ้างทำบาปอะไรไป พอเวลาแกตายไปด้วยความผูกพันกับสมบัติเงินทองของแกทำให้แกกลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของแกเองที่บ้านเลี้ยงหมาไว้พอดีหมาตั้งท้องเวลาแกตายกายก็เลยมาเข้าไปเป็นลูกหมาพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็น เห็นสุนัขตัวนี้ก็รู้ว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ตายไปก็บอกลูกๆของเจ้าของบ้านว่าหมาตัวนี้เป็นพ่อของเธอเธอต้องเลี้ยมันให้ดีนะอย่าปล่อยมันไปไหนอย่าทอดทิ้งมันดูแลมันให้ดีเดี๋ยวมันจะพาไปชี้สมบัติที่พ่อเธอฝังเอาไว้เดี๋ยวมามันก็ไปขุดไปคุ้ยหาสมบัติที่มันที่มันเคยฝังไว้ หรในกรณีของพระภิกษุรูปหนึ่งท่านชอบท่านรักช้วจีวรเวลาท่านตายไปท่านก็กลับมาเป็นตัวเลนมาเกาะผ้าจีวรพระพุทธเจ้าก็บอกผ้าว่าอย่าเพิ่งเอาผ้านี้ผืนนี้ไปใช้ เ, เจ้าของก็ยังไม่ก็ยังไม่อนุญาตเขายังไม่ปล่อยเขาตอนนี้ก็เป็นตัวเลนอยู่ เราให้เขาตายไปก่อนถ้าเราให้ตัวเลนนี้ตายไปก่อนแล้วเขาก็จะไม่กลับมาเพราะเขารู้ว่ากลับมาเขาก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ผ้าจีวงถุนนี้ได้เศรษฐีก็เหมือนกันพอเป็นหมาพอตายไปก็รู้ว่ากลับมาเป็นหมาก็ใช้นง้นไม่ได้พอตายไปก็เลยไม่มาไม่คิดจะกลับมาก็ปล่อยก็ไปรับผลบุญผลบาปของตนเองไป นี้ก็อาจจะเป็นไปได้เวลาคนตายใหม่ๆเขาอาจจะมาเข้าฝันเราก็ได้หรืออาจจะเราคิดถึงเขาเองก็ได้ะมันก็เป็นได้สองอย่างเราจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องอยู่ที่ว่าเวลาเข้ามาเข้าฝันเขามาพูดเราคุยอะไรกับเราหรือเปล่ามาบอกอะไรเราหรือเปล่าเช่นบอกว่าเขาเลยบอกว่าเงินเขาฝากไว้ที่ธนาคารนั้น มีบัญชีอยู่ธนาคารนั้นอยู่ถ้าเขามาบอกเราในฝันแล้วตอนที่เราเตยนั้นเราไปเช็คดูว่าบัญชีในธนาคารนี้มีหรือเปล่าถ้ามีก็สแสดงว่าเขาเขามาบอกเราจริงจริงแต่ถ้าไปเช็คแล้วไม่มีก็สแสดงว่าเราคิดไปเองเราฝันไปเองความฝันนี่มันเป็นได้ทั้งเป็นความจริงและเป็นความคิดของเรา อย่างไม่ชีคุณแม่ชีแก้วนี่คุณแม่ชีแก้ว น, วนี่แกจะมีคนตายเข้ามาหาแกในสมาธิเอืเลยไม่ใช่คนตายนะสัตว์ตายเช่นหูป่าตายควายตายหรือคนที่คนที่หลวงปูม่ม่นตายหลวงปูม่ม่นก็มาบอกแกในสมาธิพอแกตื่มตัวจะไปกลาบไปเยี่ยมหลวงปู่ในวันรุ่งขึ้นอยู่กันอยู่ห่างอำเภอ อยู่ต่างอำเภอกันอยู่จังหวัดเดียวกันการจะไปกราบท่านได้ข่าวว่าท่านไปอยู่ที่สกลวัดป่าสุดทาว่าเนี่ยไปจะไปกราบแต่ในคืนนั้นก็ขณะที่นั่งสมาธิหลวงปู่ก็เสียพอดีหลวงปู่มั่นเสียหลวงปู่มั่นก็มาบอกแอ่ว่าไม่ต้องไปแล้วล่ะเราไปเราตายแล้วไปก็ไม่ได้เจอเราเจอแต่ซากศพ ข, ของเรากก็เลย รู้ก่อนคนในหมู่บ้านยังไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ ม, มา่านตายนะเพอตอนสายๆจึงมีข่าวมาจากทางอำเภอก็มาแจ้งให้ทราบแต่แกตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ร้องไห้ก่อนนะแม่ชีที่เป็นเพื่อนก็ถามว่าทําไมร้องไห้บอกหลวงปู่ท่านเสียแล้วท่านเสียตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ยังไม่มีใครรู้ข่าวกัน พอวันนั้นสายๆก็มีคนมามาจากทางอำเภอมาบอกว่าได้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้ว น, นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการปฏิบัติในาศาสนาพุทธเราจะเรียกว่าเป็นเพ้อเจ้อเรื่องเรื่อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องหลอกลวงก็สุดแท้แต่จะเอาไปคิดกันแต่ผู้ที่เขาพูดผู้เขาเล่านี้เป็นคนที่ไม่เชอบไม่ได้เป็นคนโกหกหลอกลวง เพราะเขาไม่มีอาชีพที่จะมาโกหกหลอกลวงหาเงินหาทองจากใครเป็นพระเป็นชีเป็นผู้ปฏิบัติแสวงหาธรรมปีศสินมีธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้จะมาโกหกอะไรจะเอาอะไรจากพวกเราท่านมีอะไรมากกว่าที่พวกเรามีกันขนาดเป็นพระราชาโอรสท่านยังไม่อยากได้เลยแล้วท่านจะมาโกหกเอาเงินเอาทองเราไปทําอะไร อันนี้เป็นเรื่องที่พวกเรามองไม่เห็นตัวเราทั้งๆ ท, ที่เราเนี่ยเราเราเราทำอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่เราไปคิดว่าตัวเราเป็นร่างกายกันพอร่างกายเราตายหรือร่างกายของคนเช็ดของแม่ตายเราก็ร้องห่มร้องไห้กันร่างกายมันเป็นคนเหมือนคนใช้ของแม่คนรับใช้ของแม่เหมือนคนรับใช้ของเรา เราใช้มันทํางานต่างๆใช้ให้มั น, น, มนอไปทํานู่นไปทํานี่เดี๋ยวมาที่นี่เราก็ใช้มันมาเราอยากจะมาที่นี่เราก็สั่งมันบอกวันนี้มาวัดกันนะเราก็สั่งให้มันเดินทางมาอถ้าไม่มีร่างกายเราก็มาไม่ได้หรือถ้าเราไม่สั่งมันมันก็ไม่มาอยากเมื่อวานนี้ไม่ได้สั่งให้มาที่นี่มันก็ไม่ได้มาที่นี่สั่งให้ไปที่อื่น มันจะไปตามคำสั่งของเราเราสั่งให้มันทำอะไรมันก็จะทำตามคำสั่งของเรามันเป็นคนรับใช้เราแต่มันไม่ได้เป็นตัวเราเน้นเราต้องพยายามทำความเข้าใจความเห็นให้ถูกต้องว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราเวลามันตายไปเวลามันเป็นอะไรไปเราจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนมันมันไม่เดือดร้อนร่างกายเวลามันแก่เวลามันเจ็บมันไม่ได้บ่นทักคําใช่ม มันบ่นหรือเปล่าฉันแก่ฉันเจ็บฉันไม่อยากเจ็บเลยฉันไม่อยากตายเลยคนบ่นคือใครก็คือเราเลี่ยใช่ไหมเราเราเป็นคนบ่นแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันได้บุญทําไมบ่นเพราะเราเป็นหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายทุกคนเกิดมาก็คิดว่าเราเป็นร่างกายกันทั้งนั้นทุกคนมีร่างกายก็คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา มีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มาบอกพวกเราว่าไม่ใช่ท่านนั่งสมาธิท่านแยกร่างกายออกจากใจได้ท่านรู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละคนกันท่านรู้ว่าถ้าไปยึดติดกับร่างกายใจก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเวลาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ก็จะทุกข์กันแล้ว อ, อยากให้แม่ไม่ตายนี้ก็จะทุกข์กัน แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆ เ, เราก็หยุดความอยากเสียแล้วเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้เราก็จะเห็นชัดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย แล้วเราก็จะสามารถอยู่กับร่างกายได้อย่างสบายถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราถ้าเราดูร่างกายของเราเหมือนกับเราดูร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่เราไปทุกข์กับเขาไหมเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาเป็นอะไรไปเราทุกข์หรือเปล่าเราก็เฉยเฉยใช่เราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เป็นอะไร แต่ถ้าคนไหนเราไปอยากฟับเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเป็นสามีภรรยาลูกของเราเนี่ยถ้าเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เป็นอะไรเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราก็จะห่วงใยจะวิตกกังวลกับเขาห่วงไปยังไงวิตกกันยังไงเขาก็แก่เจ็บตายอยู่ดีนั้นเราต้องมองทุกคนว่าไม่เป็นเหมือนคนที่เราไม่รู้จัก คนที่เราไม่รู้จักเราไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหยอย่างโยมไม่ทุกข์กับคนนี้ใช่ไหมคนนี้เป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขา mm hmm. ใช่ไหม sc? โยมคนนี้ก็ไม่ทุกข์กับเราใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้จักเราเราจะเป็นอะไรเขาก็ไม่ทุกข์กับเราเ mm hmm. ขาจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์กับเขาแต่พอคนนี้มาอยู่ใกล้กันมาอยู่ด้วยกันก็มาทุกข์ ก, กันเพราะพอรู้จักกันแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่ไป น, นานๆแล้วสิ <Orleans> พอรู้จักกับใครก็อยากจะให้เขาอยู่ไม่อยากให้เขาไปแม้แม้แต่ข้าวของก็เหมือนกันถ้าเป็นข้าวของคนคนอื่นมันจะหายไปจะพังไปแล้วก็ไม่ได้ไปทุกเดือดร้อนเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของเรานี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมมันต้องอยู่กับเราไปจะต้องไม่หายไม่สูญหายเป็นโทรศัพท์ของเราเนี่ยอย่าหายแต่ถ้าเราสั์คนอื่นหายไปเราไม่ว่าอะไรนะ เพราะเราไม่ไปมีความอยากกับโทรศัพท์ของคนอื่นแต่โทรศัพท์ของเรานี่เรามีความอยากเพราะเราถือว่าเป็นของเราเห็นอะไรที่เราไปถือว่าเป็นของเราเราก็จะอยากขึ้นทันทีเราจะอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดแต่ของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็เป็นของชั่วคราวทนะั้งนั้นมันก็ต้องไปจากเราวันใดวันหนึ่ง หรือถ้ามันอายุยาวกว่าเราเราก็ไปก่อนมันเอ็นบ้านเรานี้มันอาจจะมีอายุยาวกว่าเราอยู่ไปแล้วเราอาจจะตายก่อนมันตายก็ได้แต่ถ้าเรามาอยู่บ้านที่มันเก่าแล้วเราก็อาจจะอยู่ไปจนนานกว่ามันก็ได้บ้านเก่ามันก็พังไปเราก็ต้องไปสร้างบ้านใหม่กัน พระพุทจาถึงสอนว่าให้เรามองทุกอย่างว่าไม่ใช่เป็นของเราเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราจริงๆแล้วมองว่ามันเป็นของชั่วคราวมันมีโอกาสที่จะต้องจากเราไปได้ทุกเวลานาทีไม่มีใครรู้ว่าจะจากกันเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่ถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ไม่ไปอยากให้มันไม่ไปจะได้ไม่อยากให้มันเป็นของเราไปตลอดเวลามันเป็นของคนอื่นเราก็จะได้ไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจกัน แต่การที่เราจะทําใจไม่ให้เสียใจไม่ให้ทุกข์ใจไม่ให้อยากได้เราต้องเอาชนะความอยากให้ได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แ น, น่นอนเราก็ยังทําใจไม่ได้ใช่ไหมลูกกลูกเราก็ยังถือว่าเป็นลูกเราอยู่ทะ้งทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึงเขากับเราก็ต้องจากกัน แต่ความอยากของเรามันมีกำลังมากกว่าความรู้ของเราความรู้ของเราที่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นขเราเป็นไม่ได้เป็นของเรารู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปแต่เราก็ยังทำใจไม่ได้ทำใจรับความจริงอันนี้ไม่ได้เพราะความอยากมันไม่ยอมรับความจริงมันอยากจะให้เป็นของเราไปเรื่อยๆอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆงนั้นเราต้องมาทาใจให้ มีกำลังสู้กับความอยากสิ่งที่จะทำให้ใจชนะความอยากได้ก็คือความสงบเนี่ยเราต้องทำใจให้สงบหยุดหยุดใจหยุดคิดให้ได้ถ้าหยุดคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้พอเราคิดถึงลูกก็อย่าไปคิดถึงเขาพอไปคิดก็อย่าไปคิดถึงเขาแล้วเราก็จะไม่ไปไปอยากอะไรกับเขา เราต้องมาฝึกหยุดความคิดกันทำใจให้สงบกันถ้าใจสงบแล้วใจจะปล่อยจะปล่อยความอยากจะทำให้ไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงเขาก็ยังอยู่กับเราอยู่ตอนนี้เพียงแต่ว่าใจเราไม่ไปวิตกไปห่วงกังวลนะว่าเขาจะไปเมื่อไหร่จะไปอย่างไร ก็รู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราได้ด้วยสมาธิด้วยความสงบห้ามห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุกข์ไปกับการไปของเขา<ม>เราห้ามได้เท่านี้แหละห้ามใจเราแต่เราห้ามเขาไม่ได้เป็นเราห้ามแม่เราไม่ได้ไ ม, ไม่อยากให้แม่ไปเขาก็ไปอยู่ดี เวลาไม่อยากให้เขาไปเราก็เสียใจกันเวลาเขาไปแต่ถ้าเรามีกำลังใจหยุดความอยากไม่ให้เขาไปได้เราก็จะเฉยๆเวลาเขาไปถ้าจะร้องไห้ก็แก้งร้องไห้ไปให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราร้องไห้เดี๋ยวไม่ร้องไห้ก็จะเาว่าใจจืดใจดำแต่ไม่ได้ร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานใจ อาจจะร้องไห้ด้วยความสำนึกในบุญคุณของเขาในคณงามความดีของเขาแต่ก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรทั้งนนั้นก็จะอยู่อย่างปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราเสียของที่เราไม่รักเราไม่ชอบเวลาเราเสียไปเราจะไม่รู้สึกอะไรใช่ไ เช่นพวกขยะทั้งหลายนี่เวลามีเอาขยะไปทิ้งเราเสียดายนะเพราเราไม่อยากจะให้เขาอยู่กับเราแล้วยพอเราไปทิ้งเราก็กลับสบายใจสิงเวลามีขยะอยู่ในบ้านนี่มันเห็นแล้วก็รำคาญตาเอาขยะไปทิ้งแล้วก็สบายใจถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งของที่เราไม่ยึดไม่ติดเวลามันไปเราก็จะไม่เสียดายไม่เสียใจ ถ้าเรายึดเราติดเราก็จะเสียดายคนบางคนก็หวงแม้ทังกระยาของเก่าไม่ยอมทิง้งของใช้ไม่ได้แล้วก็ยังไม่ยอมทิง้งยังเสียดายอยู่นั้นเราต้องมาศึกษาความจริงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมามาทุกกับความจริงความจริงเป็นสิ่งที่เราไม่มี ไม่ที่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ตามจริงที่ว่าของต่างๆในโลกนี้ไม่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรายังทําใจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังหยุดความอยากของเราไม่ได้เราก็ต้องมาหยุดความอยากไม่ได้ ถ้าหยุดความอยากได้แล้วก็จะทำใจเฉยๆได้เวลาสูญเสียอะไรไปก็จะไม่รู้สึกเสียใจนี่คือเรื่องของคนเป็นคนตายเรื่องของเราที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายที่จะเป็นที่จะตายและให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติกับ ร่างกายให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆที่เรามาครอบครองมาเกี่ยวข้องเป็นของที่เขาจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นเหมือนเดิมเราก็จะเสียใจอย่างลูกตอนเด็กๆ ก, ก็น่ารักว่านอนสอนง่ายพอตโตขึ้นเขาก็เริ่มดื้อไปตามธรรมชาติของเขา ถ้าเราอยากให้เขาว่านอนสอน ง, ง่ายเหมือนตอนเป็นเด็กเราก็จะเสียใจเพราะเขาคิเขาจะดื้อแล้วเขาอยากจะทำอะไรตามความคิดของเขาแล้วแต่ถ้าเราทำใจได้เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เสียใจเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเาทำไปเรามีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกเ็าทำไปเขาไม่ทำก็เรื่องของเขา ถ้าเราไปอยากให้เขาทำตามที่เราบอกเราก็จะทุกข์ถ้าเขาไม่ทำอย่างมันก่อนมีแม่มาเราว่าทุกข์กับลูกเพราะลูกไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ยอมไปเรียนหนังสือแม่อยากจะให้ลูกเรียนหนังสือเพื่อจะได้มีวิชาความรู้แต่ลูกมันขี้เกียจเรียนจ่ายมันแตกอยากไปเล่นอยากจะไปเที่ยวลูกมันไม่มีสติพอที่จะหยุดความอยากของมันได้ ไม่มีสติที่จะบังคับให้ใจไปเรียนหนังสือได้แม่ก็ทำอะไรไม่ได้ไหนเมื่อลูกยังบังคับตัวเขาเองไม่ได้แล้วแม่จะไปบังคับลูกเขาได้ยังไงแต่ความอยากให้ลูกได้ดีก็ยังอยากอยู่นั่นยังอยากให้ลูกเรียนอยู่ก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดไปหมดเพราะเขาไม่มีธรรมะแล้วก็มีธรรมะว่าลูกก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนะ บางทีก็ดือ้อบางทีก็ไม่ดือ้อเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเขาไม่เป็นเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายอมรับว่าเป็นกรรมของเขาเป็นบุญของเขาสุดแท้แต่แ ล, ลูกบางคนไปบวชก็เสียใจไปเป็นคนดีก็เสียใจีไม่อยากให้ไปบวชก็มีลูกบางคนไปเกเลยก็เสียใจ อยู่ที่ความอยากของแม่ถ้าแม่อยากให้ลูกบวชแล้วลูกบวชแม่ก็จะดีใจถ้าแม่อยากให้ลูกเกเรแล้วลูกเกเรแม่ก็จะดีใจเนี่ยมันเรื่องของความอยากของเราที่ทำให้เราทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเนะี่ยเราต้องมองความจริงของเรื่องราวต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนี้เราอ ย, าอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเรา ถ้าเราอยากก็อย่างมากที่เราทำได้ก็คือบอกเขาสอนเขาว่าทำอย่างนี้ดีกว่านะทำอย่างนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าเขาไม่ยอมทำเราไปทำยงไงได้เราก็ต้องทำใจว่าเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วที่สุดแล้วเราเป็นพ่อแม่ก็เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่เราต้องสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเมื่อเราสั่งแล้วสอนแล้วเขาไม่ทำตามเราสอบตกนีอ่อาจารย์จะเสียใจหรือเปล่าครูจะเสียใจ่ เด็กบางคนในห้องนีบางคนก็สอบตกบางคนก็ได้ที่หนึ่งครูก็ทาหน้าที่ไปของเขาตกก็ตกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาหัดทำใจกันเพื่อที่เราจะได้อยู่ในโลกนี้กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับการไปการมาการเกิดการตายของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆ ที่มันมีเกิดขึ้นตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคนคนหนึ่งนี้วันนึงก็เป็นอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งก็เป็นอย่างอีกอย่างหนึ่งบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีถ้าเราไปอยากให้เขาดีแล้วก็ไม่ดีเราก็เสียใจเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้บางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีเรื่องของเขา แล้วเราก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสบายอยู่อย่างสงบถ้าถ้าทำใจไม่ได้ก็ต้องไปหัดทำใจกันไปหัดนั่งสมาธิกันแสดงว่าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากของเราทั้งที่รู้ว่าอยากเราก็ทุกข์ก็ยังหยุดไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็รู้ว่าเพราะอยากให้เขาดีแล้วเขาไม่เขาไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นก็วิตกกังวลห่วงใ ย, ยไปต่างๆนานา หรือถ้าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเรากลัวว่าเขาจะมาทําร้ายเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครถ้าเขาอยากจะมาทําร้ายเราเราจะทํายังไงได้เราทําได้อย่างมากก็คอยหล บ, ลบๆซ่อนๆอย่าไปเจอเขาถ้าเกิดไปเจอเขาเขาจะมาทําร้ายเราเราจะทำยังไงถ้าเราไปทําร้ายเขาเราก็ไปทํำบาปสู้เราทําใจดีกว่าคิดว่าเกิดมา เ, าเดี๋ยวก็ต้องตาย ถ้าก็จะทําร้ายจะฆ่าเราก็ปล่อยเอาฆ่าไปแตใจเราจะไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับความตายของเราแล้วสมัยนี้ก็กลัวเป็นโรคนู่นโรคนี้กันมีความรู้มากแต่เป็นความรู้มาทําให้ทุกข์อยกว่าปล่ากกลัวเป็นมะเร็งมั่งกลัวเป็นนู่นเป็นนี่มากแต่ไม่กลัวเวลาสร้างเหตุให้มันเป็นขึ้นมา โรคต่างๆมันก็เกิดจากการกินการอยู่ของเราเนี่แหละถ้าเรามาปรับวิธีการอยู่การกินของเราให้มันเหมาะสมมันก็จะไม่เป็นะที่เราเวลากินนี่เราไม่กลัวกันเนี่ยเวลาเป็นแล้วค่อยมากลัวกันเป็นมะเรง็งเป็นอะไรต่างๆเป็นโรคไขมันอุดตันเป็นความดันเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็มาจากเรื่องที่เรากินนี่แหละของที่เรากิ น, นเวลากินไม่กลัวกันะ เวลาเป็นแล้วคนมาปวของบางอย่างเราก็สามารถที่จะป้องกันได้แต่ถ้าเป็นของบางอย่างเราก็ป้องกันไม่ได้ต่อให้กินดียังไงถูกลักษณะยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีมันอาจจะไม่ได้เจ็บด้วยการกินก็ได้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากการติดเชื้อโรคจากที่ไหนมาก็ได้เนื่องจากอุบัติเหตุก็ได้ เดินไปลื่นหกลม้มหัวพลาดพลาดพื้นนี่ก็ต้งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายไปมันต้องมีวันแก่มีวันเจ็บแล้วต้องมีวันตายถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายนี้ได้เรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันไม่เดือดร้อนกับมันดูว่ามันเป็นเหมือนคนรับใช้เราที่เราต้องคอยดูแลเลี้ยงดูมันไป เราก็ทําตามหน้าที่ไปต้องมีหน้าที่ใช้เขาแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่รับใช้เขาเหมือนกันเราใช้ให้เขาพาเราไปหาความสุขทั้งตาหูจมูกเลี้ยงกายเราก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูเขาเหมือนกันถ้าเราไม่อยากจะมีหน้าที่เลี้ยงดูไม่อยากจะมาต้องมาให้ด้วยเขาแก่เขาเจ็บเขาตายก็อย่าไปใช้คนใช้สิอย่าไปมีคนใช้ ทำลายด้วยตัวเองหาความสุขด้วยตัวเองหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายวิธีที่จะหาความสุขโดยไม่ต้องใช้ร่างกายก็ทำใจให้สงบนี่แหละฝึกสติฝึกพุทธโธสร้างพุทธโธขึ้นมาควบคุมความคิดไม่ให้คิดถ้าหยุดความคิดได้ใจก็สงบใจก็มีความสุขความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ถ้าเรามีความสุขแบบนี้เราก็เลอกใช้ร่างกายได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่หหพราะเราหยุดความอยากที่จะมีร่างกายได้พระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านหยุดความอยากต่างๆได้ท่านก็เลยไม่ต้องมีร่างกายท่านก็เลยไม่ต้องมาเกิดใหม่เหมือนพวกเราออนนี้พวกเรายังต้องใช้ร่างกายหาความสุขอยู่ใช่ไหม ยังอยากจะมีแฟนอยู่ใช่ไหมยังอยากไปเที่ยวใช่ไหมยังอยากจะดูละครอยากจะดูดการล่าเล่นอะไรต่างๆดูการแสดงอะไรต่างๆอยากจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็ต้องมีร่างกายถึงจะพาไปได้ถ้าเรามาเจริญสติม า, วาควบกุมความคิดทําใจให้สงบ ให้นิ่งเป็นสมาธิได้เราก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็เลอกใช้ร่างกายได้เวลาอยากจะมีความสุขแล้วก็นั่งสมาธิกันก็ mm hmm. ไม่ต้องใช้ร่างกายไปนั่งดูทีวีไปดูละคร mm hmm. ไปกินขนมอะไรต่างๆไปกินไปดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆ mm hmm. ความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันดีกว่ามันอิ่มกว่ามันสบายกว่า แล้วมันไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองทามสุขทางร่างกายนี้ต้องใช้ร่างกายแล้วยังต้องใช้เงินทองเพราะของที่เราอยากได้มันต้องไปซื้อมากันมันไม่มาเองก็ทำให้เราต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินหาทองอย่างนี้ยังมาหาความสุขแบบวิธีของคนฉลาดดีกว่า วิธีของพระพุทธเจ้าวิธีของพระอรหันตาสาวกก็คือหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละมาสร้างสติกันฝึกสติกันต้องขยันถึงจะได้ต้องหมั่นพุทโธไปเติมเติมได้มาลืมตาก็พุทโธเลยอย่าไปคิดอะไรพุทโธพุทโธไปทําอะไรก็ทําไปมีหน้าที่อะไรต้องทําก็ทําไปต้องอาบน้ําต้องล้างหน้าแต่งตัว กินข้าวรับประทานอาหารก็ทํำไปแต่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปจะหยุดพุดโทโธก็ช่วงเวลาที่ต้องทํางานและใช้ความคิดก็ใช้ก็หยุดพุดโทโธไปเวลาทํางานต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานก็คิดไปพอไม่ต้องคิดก็กลับมาพุโทโธใหม่อย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงขนมน ม, นมเนยอย่าไปคิดถึงที่เที่ยว ท, ที่อะไรต่างๆเพราะคิดแล้วเดี๋ยวมันอยากแนละ้ว อย่างแล้วมันก็ต้องไปหาหามาได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเสียเสียมันอีกหรือมันหมดก็ต้องไปหาใหม่เช่นไปดูหนังนี่ไปดูปั๊บมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องดูใหม่อีกละดูเท่าไหร่ก็ไม่พออยู่ดีต้องดูอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่มีดูก็ทุกข์อีกแะ เอาเวลาที่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายนี้มานั่งสมาธิกันดีกว่านั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปตาใจไม่คิดอะไรใจสงบเย็นสบายมีความสุขถ้าจะกินก็กินเพื่อร่างกายอย่าไปกินเพื่อความอยากกินเป็นเวลากินเหมือนกินยาไม่ใช่ไม่ใช่คิดอยากป้าก็กินเลยอยากจะกินอะไรก็เปิดตู้เย็นหามากินเลย อันนี้กินตามความอยากกินแบบกินยาเสพติดถ้าจะกินเป็นอาหารกินเป็นยาก็กินเป็นเวลากินกินพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้กินมากเกินความต้องการของร่างกายจนทำให้ร่างกายพองออกมาถ้าร่างกายพองนี่แสดงว่ากินมากเกินกินมากต่อความต้องการของร่างกายนะกินด้วยความอยาก ถ้ากินด้วยความจําเป็น้มันจะไม่ผ่องร่างกายนี่คือเรื่องของปัญหาของพวกเราก็คือความอยากต่างๆที่เรามีอยู่นี่ที่ทำให้เราวุ่นวายไปหมดกับการหากับการรักษาแล้วก็กับการสูญเสียเวลาอยากได้ก็ต้องหาหาก็วุ่นวายกับการหาพอได้มาก็ต้องรักษาก็วุ่นวายกับการรักษา แล้วพอเสียไปจากเราไปก็วุ่นวายเสียใจกับการจากไปแต่ก็ไม่เข็ดพอจากไปก็ไปหาใหม่อยากจะอยากจะได้ใหม่ก็กับ ก, ก็ไปหาใหม่หามาแล้วก็เหมือนเดิมอีกแต่ก็เหมือนคนติดยาเสพติดเลิกไม่ได้หยุดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะทุกข์ก็อย่างน้อยเวลาได้มามันก็มันก็มีความสุขบ้างเป็นช่วงๆเป็นพักๆไป สลับกันไปสุขบ้างทุกบ้างแต่เวลามันทุกข์นี่มันแสนทรมานเนี่ยความสุขที่ได้จากมันมันหายไปหมดโดยอแต่ความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องยุติการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราม า, าความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าทําใจให้สงบได้แล้วก็จะสบาย ไม่ต้องทุกข์กับใครไม่ต้องทุกข์กับการหาอะไรไม่ต้องทุกข์กับการรักษาอะไรไม่ต้องทุกข์กับการสูญเสียเพราะความสุขที่เรามีนี้มันเป็นความสุขที่ไม่มีวันจากเราไปความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เรารักษาไว้ได้เพราเราไม่ต้องใช้ร่างกายรักษามันเราใช้ตัวเราที่ไม่มีวันตายเป็นผู้รักษามันเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็รักษามันให้อยู่กับเราได้ แล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไปดังนั้นก็ขอให้พวกเราเปลี่ยนวิธีชีวิตของการหาความสุขแบบเก่าให้มาหาความสุขแบบใหม่กันความสุขแบบพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพระราชโอรสมีปราสาทสามด้วยดู มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกับพวกเรามีความสุขทางร่างกายมากกับพวกเราท่านก็ยังเห็นว่ามันเป็นทุกข์เเพราะต่อไปร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ท่านก็เลยไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วท่านก็สุขไปตลอดร่างกายตายไปตอนนี้ท่านก็ยังสุขอยู่ เวลาร่างกายตายไปก็ไม่ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บก็ไม่ทุกข์พราะท่านมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราต้องสร้างสติเพื่อหยุดความคิดเมื่อหยุดความคิดเราก็จะได้สมาธิความสงบเมื่อเราได้สมาธิเราก็จะมีกาลังหยุดความอยากต่างๆด้วยปัญญาได้ ปัญญาจะบอกว่าการไปทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเพราะได้อะไรมาแล้วก็ต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้ไปไม่ช้าก็เร็วก็อย่าไปหาดีกว่าหามาแล้วต้องเสียไปหามาทำไมก็จะไม่หาอะไรก็จะอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะต้องสูญเสีย ก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์ด้วยถ้าใจเรามีความสงบมีความสุขแล้วเราก็ไม่มีความอยากจะได้อะไรเราก็ไม่ต้องหาอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเสียอะไร<ม>นี่คือวิธีหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้าที่พวกเราทุกคนสามารถทำได้ถ้าเราอยากจะทำ แต่เราต้องทํากันเองไม่มีใครมาทําให้เราได้เราต้องพูดโธกันไปเองให้คนอื่นมาพูดโทให้เราไม่ได้พยายามพุดโธพูดโธไปเพื่อหยุดความคิดแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะสงบแล้วจะมีความสุขแล้วพอออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาหยุดมันต่อไปความอยากก็จะไม่มีเหลืออยู่ในใจก็จะไม่มีอะไรมา หลอกให้เราไปหาความทุกขนะ์เราก็จะอยู่อย่างสุขไปตลอดอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุมโมทนาให้พรนะยะถ า, าวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานางังอุ ป, ปกาปติ ปิจิตังปฏตติตังตุมหังคิพเะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปายันโทปะนาระโสยะามณิจโตติระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุ มาเตาวัตะวันตารายุสุขีทีขายยโกาวะอภิวาธนสินิสานิจังวุภาปัจจายโนจตารุธรรมวัทานติอายุวโนอสุขังภาลาง มาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพไปครับอ่ามีธทราอะไรรเปล่าอ่าเดี๋ยวคณะมาดูงานอ่าดูที่ไหนเลยนักศึกษาที่ไรโคงการราชนาจักรอาดูที่วัดลนอยู่ที่กรุงเทพอ่าไม่ใช่มาดูงานที่ไหนมาดูงานที่เบย์ทานี่ป์ทินับป็นย์ทินออืมมามากไหยมากกคน สองอยปสิบเอทั้งรุ่นเลยนะแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันะตอนนี้เขาก็ไปเป็นไยเตามากเลยเข้ายไปหลายที่ครับออแล้วใครแนะนําให้ขึ้นมาบนนี้นะเลยเขาเบี่ยม <c oughs> เขยมาเลยผม อ, อ, อยู่จย่านแม่ครับแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงก็เห็นเพราว่าอาจารย์ อ, อยู่ที่นี่นั่นสิรู้จักทางไหนเลย อ, อันนี้ก็ถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตอยู่ถ่ายทอดทาง y o u t u ู e ทาง a c e b o o k เปียก็มีคนติดตามอยู่แล้วเขามีคำถามเขาก็เขียนข้อความส่งเข้ามาแล้วก็ตอบเ้าไปมีอะไรอยากจะถามอยากจะทราบไหม ถ้าไม่มีก็มีหนังสือหนังสือซีดีแจกนะขอเชิญหยิบได้ตามสบายเอาอย่างละเล่มอย่าง่ะแผ่นไปเราวางไว้ให้หยิบกันเราเองไม่ได้แล้วแต่ศรัทธาใครอยากจะได้ก็หยิบใครไม่อยากจะได้ก็ไม่ต้องหยิบหนังสือแจกฟรีแล้วเมยคนเขาพิมพ์มาให้แจกตอนนี้ก็มีหนังสือของน้วงตามหาบัวอยู่สองเล่มแว่นดวงใจกับาศาสนาอยู่ที่ไหน แล้วก็มีของเราอยู่เล่มหนึ่งจุดธรรมนำใจแล้วก็มีซีดีที่เทศอัดไว้ <c oughs> ก็เชิญหยิบได้นะถ้าต้องการเอาตามสบายเอามาเพิ่มหน่อยนะ เยู่ทางทน้อย่อยูอ่ยในกล่องอให้เขาไปทั้งกล่องเลยกล่องนี่ไปเอาไว้ทันกเสือจ ะ, จะอทำออกมา สามศูนย์นะี่นย์อยี่เก้าปีเ่เก้าปีตเมื่อก่อนาเเคยมคยมาอยู่ช่วงช่วงบุกเบิกสร้างวัดช่างแรงเมื่อปีสองปีสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่ง้มาอยู่ปีกว่าสองปีนะท่านว่าไปซองไว้ตรงนั้นเลย เป็นอาจารย์สอนเขาเลเป็นอาจารย์พิทยากรให้พวกอือวันนี้มาทัศนศึกษากันเลยมาดูงานเข้จาจ้ดูงานอ่าวันนีมาค้างรู้ป่ะไม่ได้ค้างครั้งเป็นแต่เมื่อวานค้างที่เออ่งนีเช้ากับอืมเสร็จหลักสูตรแล้วเหรอไม่ยังก็เพิ่งเริ่มได้รประมาณเดือนเลยอ๋อเพิ่งเริ่มหลักสูตรกี่เดือนนะห่งปีหปี เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ยังไงไม่ว่าก็ช่วงนี้จันถึงสุขจันถึงสุขสามเดือนแรกสเดือนแรกเรีนมาละกี่ชั่วโมงอะก็ปันละแปดชั่วโมงเอาเต็มที่เลยนะโอไม่ใช่เล่นนะสุดดักอ่าสามเดือนคนที่เรียนก็เป็นข้าราชการคนละเรียนมีคุกมีปนกันไปครับเขาต้องสมัครด้วยว่าเราเราเชิญเข้ามาเรียนสมัครสมัครนะข้อยากข้อยา เ็ไปไก็ไปไกลเออเออสามทูปแล้วสนอยุกิสิทมาถามคำถามเป็ค่อาจารย์ครับอ่าถามอะไรเนี่ยครับก็ร้อยแปดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการปฏิบัติทมเรื่องการ อะไรต่างๆนะแต่บางคนมีปัญหาทางบ้านเรื่องกับสามีบ้างภรรยาบ้างลูกว้างมีร้อยแปดพันประการร้ 108, 000, อยแปดปัญหาจากความทุกข์ทุกทั้งนั้นนะอ่ะแล้วก็มีสาเหตุเหมือนกันทุกทุกอย่างก็คือความอยากของเรานะออถ้าไม่อยากแล้วก็ไม่ทุกข์กันที่มันทุกข์เพอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอก็ไม่เป็นก็ทุกข์ถ้าเราไม่อยากแล้วก็จะเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่วางก็ไม่หยุดอ่นนนะ า, อานั่นแหละก็มีแค่นั้นแหละ แต่มันหยุดไม่ได้ก็ราะกิเลสนไม่ยอมให้วางความอยากก็ไม่ยอมให้วางทางั้งๆที่รู้ว่าทุกข์ก็ยังยอมทุกข์ก็ยังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยังอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยู่ทั้งๆที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปอยู่ดีใช่ั้มเวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ไ, ได้ไยินอะรทลับยศสรรเสริญเนี่ยได้ชั่วครั้งชั่วคราวพอมีชีวิตอยู่นะัค่ครับพอาตายไปก็ไปไม่ได้ตาก็ยังหมดไม่ได้ อยู่แบบพักไม่ได้กันอยู่แบบไม่มีอะไรไม่ได้กลัวไม่มีหน้ามีตาไม่มีเกียรติอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกเราว่าเราต้องมีเกียรติเราต้องมีลาภยศสรรเสริญเราถึงจะมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่การไม่มีตางหาเพราะการไม่มีอะไรแล้วมันจะไม่ทุกข์กับอะไรพอมันมีแล้วมันต้องทุกข์เพราะมันหวงมันไม่อยากให้จากเอาไป แต่อย่าหวงไงเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องจากกันอยู่ดีเพราะพระพุทธเจา้าท่านก็เป็นพระราชโอรสนะท่านก็รู้ว่าต้องจากการเป็นพระราชโอรสสักวันหนึ่งท่านก็เลยจากตั้งแต่ยังไม่ตายดีกว่าจากแล้วไปบวชไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีอะไรเพียงแต่ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วสอนใจให้ฉลาดว่าอย่าไปหลงกับอะไรในโลกนี้เท่านี้ก็จบละตอนนี้เรายังหลงกันอยู่ย ทั้งทงที่รู้ว่ามันทุกข์ก็ยังอยากได้อยู่เ <c oughs> พราะว่าปัญญาเราไม่ทันความหลงเราต้องสร้างปัญญามาให้ทันพยายามคิดอยู่บ่อยๆว่ามไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเนี่ยพออยากจะได้แมันจะได้บอกเฮ้ย ไ, ไม่เที่ยงนะทุกข์เนะียเราก็จะได้ไม่เอาก็ได้ตับอยู่นะวอพอมันเห็นอะไรปั๊บมันดือหมดเลย ไว้เรายอยากได้นี่มันลืนหมดนะก็อะไรต้องไปทุกข์กับมันก็ต้องพยายามหาเวลาอ่านหนังสือธรรมะเราจะมีปัญญาสะสมไว้ในใจแล้วเราจะได้ความรู้นี่มาใช่ต่อสู้กับความหลงเวลาเกิดความอยากอะไรต่างๆแล้วมันก็จะทําให้ความอยากมัน เบาบางงต่กจะไม่หมด <c oughs> มันก็เบาลงได้ความอยากเบาลงความทุกข์ก็จะน้อยลงทุกข์มากก็อยู่ที่ความอยากมากทุกข์น้อยก็อยู่ที่ความอยากน้อยไม่มีทุกข์เลยก็ไม่ไม่มีความอยากเลยก็ไม่มีทุกข์เลยแต่มันยากเันั้นความอยากมันไม่ยอมตายง่ายๆ <c oughs> ต้องต้องปฏิบัติทำ ด, ด้วย รู้อย่างเดียวไม่พอต้องมานั่งเฉยๆทาใจให้หยุดพอใจนิ่งสงบนั่งสมาธิใจหยุดปับ๊บความอยากมันก็ต้องหยุดตามเพราะความอยากมันใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเราต้องคิดถึงอะไรก่อนนถึงจะอยากได้ถ้าเราไม่คิดมันก็อยากไม่ได้นถ้าเราพยายามหยุดความคิดบ่อยๆความอยากมันก็จะน้อยลงไปน้อยเบาลงไปเบาลงไปแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะทําลายมันได้อย่างทา้าว ปัญญาก็จะบอกว่าของที่เราอยากมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอ่ะทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วก็มีวันหมดไปได้มีเจริญก็มีเสื่อมมีลาบก็เจริญลาบก็มีเสื่อมลาบมีเจริญยศก็มีเสื่อมยศนมีสารเสริีก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปนมันอย่าไปอยากได้ของเหล่านี้เลยแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเวลามันเสื่อม อยู่แบบไม่มีดีค่ะอยู่แบบไม่มีราบยศสารเสรน์อยู่แบบพระเนี่ยไปบวชกันเนี่ยตอนนี้บวชให้ในหลวงกันเยอะแยะแต่บวชไม่กี่วันเท่านึงเสียดายถ้า บ, บวชกันแบบไม่เสร็จได้ก็ดีตอนนี้ก็มีพระที่ก็บวชให้ในหลวงน้อยรูปมาจากวัดพระรามเก้าก็มาอยู่ที่นี่กันแล้วเมื่อวันที่หนึ่งก็มีทางผู้ว่าทางรองผู้ว่าเขาก็จะบวชจิตเก้ารูปมึงก็มาอยู่ที่นี่กัน แต่ว่าอยู่ไม่นานนะบวชแค่สิบห้าวันมั้งอ๋อครับทอยพระราดกุศลไปถ้าบวชได้จริงก็ดีเนี่ยจะได้พ้นทุกข์กันเราเข้าหาทุกข์เองเราต้องหนีออกจากเราต้องถอยออกจากกองทุกข์าะลาบยศสรรเสือนี่คือกองทุกข์กองไฟแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นเป็นเบาะนุ่ ม, นมนๆนะหนาเราไปนอนกัน <c oughs> ไะ้ไหมใช่ครับที่เราทุกข์ตอนนี้ทุกข์กับอะไร ทุกกับท่าบยศสารเสรื่อนี่แหละไม่รู้เท่ากันก็เป็นทุกข์กว่าได้เพราะฉนั้น ต, ต้องพยายามสร้างปัญญาสร้างสติขึ้นนะแล้วเวลาใจงทุกข์กับอะไรจะได้ใช้ปัญญามาแก้ได้ว่าเรากําลังอยากนะะเรากําลังอยากกับเรื่องที่มันทําให้เราทุกข์เราปล่อยแล้วเราก็จะไม่ทุกข์มันรวดเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ครั ได้ถึงมาเกิดกันไงก่อนที่เขาไม่เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่มาเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยราจานย์ท่านไม่มาเกิดเพราะท่านรู้ว่าโลกนี้มันเป็นโลกของความทุกข์กันท่านก็ไม่มาเกิดกันแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าเป็นโลกของความทุกข์แต่ยังคิดว่าเป็นโลกของความสุขเราเลยกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆอืเกิดแล้วก็มาร้อห่มล้ อ, ง, ลอ ง, ง่ายกันพวกเราช า, ชาตินี้โชคดีได้มาเจอคําสอนอพระพุทธเจ้า ที่มบอกว่าเรื่ความจริงของโลกนี้มันความทุกข์อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่เราจะถอดถอนตัวเราเองออกจากความอยากในสิ่งต่างๆได้หรือไม่ถ้าเราเชื่อแล้วเราตั้งใจปฏิบัติตั้งกำลังถอดถอนความอยากออกจากใจเราได้เราก็จะพ้นทุกข์แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ การเกิดนั้นไม่ดีเพราะเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะเกิดมาร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันสู้ไม่เกิดดีกว่าเมื่อไม่เกิดเราก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความทุกข์ใจเราไม่ตายร่างกายมันตายแต่ใจเราไม่ตายใจเราก็ไปหาความทุกข์ใหม่หาร่างกายกองใหม่กองทุกข์อันใหม่มาทุกข์ใหม่ ถ้าหลายก็ไม่ไปหาครับวิธีที่จะไม่ไปหาก็ต้องหยุดความอยากก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชไปบวชกันพวกบวชนี่ก็ไปหยุดความอยากกันอนยะ่งนั้นเห็นไหมก็ไม่ไปหาลาบยศสารเสนะเขาหาความสงบความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสรินถ้ามีความสงบแล้วก็ไม่ต้องมีลาบยศสารเสนไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่หยุดเริ่มต้นก็คือการศึกษาอ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อยๆอ่านแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเองเกิดความยินดีที่อยากจะปฏิบัติตามแล้วเดี๋ยวก็ได้ปฏิบัติเองอคนที่มาเป็นพระนี่ก็เป็นเหมือนพวกเราเมื่อนก่อนอาตมาก็เหมือนโยมเมา่ก่อนก็เรียนหนังสือทํางานหาเงินหาทองหาความสุข พอวันดีคืนดีไปเจอหนังสือธรรมะอ่านเข้ามันหูตาสว่างขึ้นว่าเออเรากําลังไปผิดทางเลยวะเรากําลังไปวุ่นวายไม่ได้ไปสู่ความสบายใจก็เลยย้อนยูเทิร์นครับยูเทิร์นลาออกจากงานไปปฏิบททัติธรรมดีกว่าพ อ, อปฏิบททัติธรรมก็เจอความสงบเจอความสุขก็เลยบวช ด, ดีกว่าบวชสบายจตาไป ข้าวก็ไม่ต้องเสียบ้านก็ไม่ต้องเสีย<笑><笑><笑>น้ําไฟก็ไม่ต้องเสียนงานก็ไม่ต้องทำเนะ่ยบําบวนนี่ให้อยู่เฉยๆกับไม่อยู่กันไม่ชอบกันไมน่รู้แล้วกาส็ส่าวะกิเลสมัยนยังขัดแต่กันไม่ขาดออาอา่าใช่ก็ต้องตัดมันตัดได้อยู่ที่เราจะตัดมันก็ไม่ตัดคนก็รู้คนเข้าใจได้แต่คิดไม่ค่อยได้เออทําไม่ค่อยได้ครับ คนที่ทําได้ก็สบายไปใช่ครับคนที่ยังทําไม่ได้คนทีไ ม, ม่ได้ก็แบบพาจารย์เนี่ยครก็ถึงมาบวชเนี่ยครับแต่ทุกคนก็มีสิทธิที่จะทําได้ใช่ครับถ้าอยากจะทําเออห็งแต่ว่ามันเหมือนกับการเลิกยาเสพติดเนี่ยมันไม่ง่ายเวลาเลิกทีมันใจมันจะตายให้ได้จะขาดใจตายเหมือนกับไม่มียาเสพติดให้เสพเราติดรูปเสียงกลิ่นรสพอเรามาบวชนี่เราก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ ถ้าเหมือนคนที่เลิกติดเลิกยาเสพติดเวลาเลิกใหม่ๆ ม, มันก็ทรมานถ้าไม่มียามาช่วยยาก็คือสมาธิมาช่วยก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องเสกไปแต่ถ้าใครหายามาช่วยได้ทําใจให้สงบได้ความทรมานจากการที่ไม่ได้เสพมันก็จะหายไปมันก็จะพอทนอยู่ได้ยังถ้าลองนั่งสมาธิได้ก็คิดว่าไปได้ ถ้าฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็จะมีกำลังที่จะเลิกการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงเกิืนลดได้ก็จะไปบวชได้เป็นอะไรไหมคนพามาไม่เห็นถามเลยฮะเป็นคนพาแนะนำมาครับก็มีอะไรอยากจะถามไหม การนั้นจริงๆนะเนี่ยชีวิตทางโลกเนี่ยงานเนี่ยคือภายนอกใช่ไหมแต่งานของพระนี่จริงๆคือภายในใช่ไหมอยู่อยู่ภายในจิตใจของตัวเองคืองานหลักของพระก็งานภายในงานปัดการกําจัดกิเลสแต่พระก็มีงานภายนอกแต่งานภายนอกก็เพียงแต่งานที่จําเป็นคือการเลี้ยงดูร่างกายเช่นไปบินตาบ้านนี่ก็เป็นงานภายนอกเกวาดถูสาลา ซักผ้าจีวรพักผ่อนหลับนอนนี่ก็ถือว่าเป็นงานภาายนงานงทางร่างกายที่ยังต้องต้องมีอยู่เพราะยังต้องใช้ร่างกายในการที่จะมาปฏิบัติธรรมแต่งานจริงๆก็คืองานภายในงานสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อทําใจให้สงบเพื่อตัดความอยากต่างๆให้ได้นอันนี้เป็นงานของพระโดยตรงงานนี้ทางคารวะไม่ทํากัน ปังคารว่านี้ยจะทำแต่งานภายนอกอย่างเดียวงานหาเงินหาทางหาปัจจัยสี่ฮแล้วก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้กนกายอันนี้เป็นงานภายนอกที่หาเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มวันพอเพราะมันไม่ได้เข้าไปสู่ใจมันไม่ได้ไปเลี้ยงใจมันไม่ได้ไปทําใจให้เกิดความอิ่มความพอแต่มันกลับไปกระตุ้นความอยากความผิวให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ การของพระหาสร้างความอิ่มความพอให้กับใจสิ่งที่จะได้ให้ความอิ่มความพอก็คือความสงบความสงบก็เกิดจากการเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปไม่ให้ไปคิดอะไรแล้วก็นั่งสมาธิให้ใจรวมเป็นสมาธิเป็นหนึ่งพอใจรวมใจสงบก็มีความสุขแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปหลงไปทำอะไรตามความอยากต่าง พอไม่ไปทำตามความอยากก็จะไม่มีความทุกตามมาอันนี้เป็นงานภายในล้วนๆงานภายในใจแต่สมัยนี้พระท่านก็ไปทํางานภายนอกกันทะส่วนใหญ่อ่าเดี๋ยวนี้ท่านก็ออกไปทางท่าป่าบ้างสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆถเรื่องงานจริงงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นงานของพระ เนี็ยเป็นเรื่องของศรัทธาของญาภโยมที่อยากจะทําบุญพระไม่มีหน้าที่พระ ม, มีหน้าที่มาสร้างธรรมในใจของตนสร้างความสงบให้กับใจพระก็เลยหลงทางกันเนส่วนใหญ่หลงไปกับลาภโยศของทางโลกอยากจะเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณ ะ, ะตําบลเจ้าคณ ะ, ะอําเภอเป็นเจ้าคุณด้วยอ่าเป็นเจ้าคุณ เ, เนเี่ยเป็นสังฆราชเนี่ย หัวร้อนชอบใจอ่านั่นแหละก็เป็นเพราะว่าใจไม่มีอะไรใจไม่มีความสงบมันก็เลยหิวหิวกับลาบยศสรรเสริญเหมือนกับคารวาเนี่ยเพียงแต่ว่ามีมีศีลหน่อยเท่านั้นเองมีศีลสองรอยี่เจ็ดข้อที่ที่ต่างจากคารวาก็มีแค่ศีลสองรอยยิบเจ็ดแล้วก็โก น, นหัวหมผ้าเหลืองแต่ความอยากในลาบยศสรรเสริญก็ยังมีเหมือนเดิม เพาะมันไม่ตายจากการนุ่งกอดหยากร น, นุ่งนุ่ ง, งหเหลืองโกนหัวหรอกตอนนี้มันจะต้องตายด้วยสมาธิด้วยปัญญาหน้าที่ของพระก็มาเรียนไปสิกขาศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่เรียนกันเนี่ยบวชปุ๊บก็มาหัดสวดสวดบางสกุลกันแล้วบวชสังสวดสังฆทานสวดให้พอกันแล้ว <c oughs> เอาจริงจริเนี่ยเร่งไปบวชเนี่เราไปบวชถ้าไปบวชก็จะให้ ให้ไปหัดสวดมนต์พอเดี๋ยวมีกิน่นออนี่มนต์มาต้องออกงานเออไม่พูดถึงศีลสมาธิปัญญาอะไรกันปวกที่ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยวัดป่าวัดเขาเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องเรื่องทางทางโลกทางภายนอกก็ไม่เอากันเอาไปทุดตรงกันก็ไปหาความสงบกันหาธรรมกัน <c oughs> เขาไม่ได้แนะนำให้ประชาชนรู้จักพอรู้จักพอมันก็หยุดได้ทุกอย่างอ่ะใช่ครับกลับไปรอให้ประชาชนอยากได้บุญนีกหล่อให้อยากโยมอยากได้บุญเยอะๆทาบุญเยอะๆแล้วก็้าใว่าความพอที่ไหญ่ก็หยุดได้หมดทุกอย่างใช่อจกะ ตามมัยาสายนะอยากเชิเนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในในธรรมก็แล้วกันนะไม่ใช่ในราบย้อนสารก็ในทางโลกเราก็ยังทำความดีได้รักษาศีลธรรมมีเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นธรรมเหมือนกัน เอาตัางตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรการจะอยู่ต่อก็ได้นะการจะกลับก็ได้นะตามอี่อาสัยเดียวยังมีเวลาอีกนิดหน่อยจะได้ตอบปัญหาทางบ้านมาจากที่ไหน เคยมาจากพัทยาครับผมไม่มีคําถามแต่ว่าผมจะมากราบพระมศักดิสิทธหลวงพี่สุธาตุเรธนศารชื่ออะไรชื่อผมชื่อต๋องนั่นสหน้าตาซึ่งในกออกเนี้ยนีนี่ติ๋มติ๋มเลยโอ้จำไม่ได้แลนะเนี้ยเปลี่ยนไปเยอะเลยอมาจากไม่เิลี่ยนเลยตอนนี้ยังอยู่ที่ไหนอยู่อยู่อเมริกาครับกลับครัไปอยู่ที่โน่ไปอยู่เอ็ลเอ้อเ เราไม่้เศร้าเกี่ยวกั่อะไรมากเราไม่ย้ า, า, ายไปอยู่ที่นั่นนะลูกสาวอยู่ที่นั่ น, น, อ, น, นอ่า ค, คนที่เกิดที่นันนน่นออืมอ า, อ า, อาจารย์สบายผมผมข อ, อสัมผัสสัมผัสตัวนหน่อย <c oughs> ได้ไหได้เ <c oughs> พื่อนเก่าตามาทีผ้าปเปยเคยทํางานด้วยกันก็ เราเป็นผู้จัดการเขาเป็นรองผู้จัดการ Burton, ร้าน sim, ขายติ่มซี่ยวไอศครีมพาเล์ได้ครับเป็นจำเจเสียงเพลงทีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกคุณครับผมไม่นึกว่าจะมีการมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เลยเสียหมดนะไปหมดแล้วยม เยี่ยมเพื่อนๆเนี่ยมน้องๆเป็นลูกสาวคนเดียวเลยลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายคนอืลูกชายที่เกิดเมืองไทยเลยที่เกิดเมืองไทย่สองแม่อาจารย์ก็ยังอยู่ยังอายุตอนนี้อยู่ที่นาเกลืออยู่ด้ันนี้แก่ไปย้ายเข้าไปอยู่คอนโดเพราะว่าตอนบ้านเก่ามันต้องขึ้นบันไดมันไม่ไหวครับ ยายก็ไปยายเข้าไปอยู่คอนโดอยู่ใกล้ๆกันอ่ะอยู่อยู่ริมถนนสุขุมวิททางที่ไปมากทางที่ไปที่ป ป, ปาเนี่ยป่าปาพัทยาเนี่ยทางเข้าไปแต่ก็พอยังเดินเหินได้อยู่แต่ต้องมีน้องสาวคอยดูแลแอนคอยดูแลต่อคุณพ่อเสียไว้ตั้งแต่เราบวชไม่กี่ปีแกก็เสียแล้วคุณพ่อทรงว่าอ่ อ่าที่เจอท่านครั้งสุดท้ายง า, า, านงานศพงานงานศพมุณพ่อเนี่ยอแกเสียแปดสี่ตอนที่เรากลับมาจากกุดรจะมายก็มาจะมาอยู่ที่ออเกสต์แ ล, แล้วเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เราแอดทำอะไรเีนี้ก็ทําหน้าที่เลี้ยงแม่ดูแม่ดูแลแม่ตนนแต่ทำกายทาทัวริสโมทําอะไรพวกนี้ะทํำกายอยู่พักหนึ่ง แล้วพอแม่แก่แม่เลยบอกว่าให้มาช่วยแม่แล้วแม่ให้เงินเดือนแทนก็เลี้ยงดูแม่ไปเพราตอนนี้แม่แม่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วต้องมีน้องคอยตาก็ไม่ค่อยดีหลังขานก็เดินเหินไม่ค่อยไหวยังพอเดินได้อยู่แต่อยู่คนเดียวไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้มีน้องคอยอาหาอาหารมาให้กินอะไรเงี้ยเสองวันก่อนก็เพิ่งแวะไปไปเยี่ยมแกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว อ่าอาจารย์ไอเปนนักเรียนบ่ายๆมันจะไปไปที่บ้านอำเภอเนี่ยอไปทุกวันนีบ้านอำเภอก็อยู่จากวัดยานเลยไปเลยกิโลกว่าบนะบาดนี่มาตั้งแต่มาอยู่วัดนี้ก็บินที่บ้านอำเภอมาตลอดอผมจากไปนักขัตตัย้จากไปยี่สิบปียี่สิบปีที่ยี ก็ว่าอยู่นูนหมดเก็ยังเบื่อไม่ไดยังยังดึไม่ยังยังติดแล้วมันเลกยากความอยากอยากเยเวลาไม่ได้กินแล้วมันหงุดหยิดก็เลยต้องหามากินยากมันไม่หมดนี่ผมต้งสู้กับมันตอนที่เราสู้กับมันก็ทาจารยสอนผมมาตั้งแต่สมัยแห้งเงาอยู่แถว แปดสิบสี่อืมแล้วข้างเก่ามันสูญเสียท่านนี้กําลังถ่ายทอดออกทางอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยกล้องสองอันเนี่ยอ๋อคนทุกคนจะมีอดีตเนี่ยผมดีใจพอต่างต่างหลานี้ว่าไอ้น้องๆเนี่ยมันบอกว่าน้อค่ะน้อเป็มาฟังว่าอาจาร สองปีก่อนเจเรียมเขาก็มาเยี่ยมนะครับได้่าวเาอยู่แถวนาคือนี่เหมือนกันนะอยู่กับแพทแพทพี่สาวเขเอ๋อป้บิลกตายรัครับผมครั้งสุดท้ายเจอว่าพี่แพทอยู่แถวซอยทงหลอมีหลายปีแล้วเจเรียมกลับมาอยู่ที่นี่เสก็ไปมาๆลูกเขาไปอยู่ออสเตรเลียไอแลนด์ะใช่ไหมไอนอ ไอ้อยู่เมืองไทยเมืองแต่ลานั่นก็ไปไปเป็นแอร์มื่อีไปอยู่ที่ออสเตรเลยียอะไรเนี่ยเนี่ยวันดีวันดีคนดีมีเพื่อนที่เขารู้จักเราเขาพามามายเยี่ยเมื่อสองปีก่อนเนาะมาแวะมาหลายคนไม่จับไปแล้วก็หายไปเยอะเจอเพียงติดต่อคนคนฝรั่งจิโรเบิร์ตเขาก็ยังมาอยู่โรเบิร <Robert, S 1> ์ตออแลนฮ์ยังมา ผมทีผมยาวเกอเนี่ยก็มีภรพครัวมีลูกสองคนมีร้านแล้วคนไทยเหรอครับไม่ภรรยาเป็นสเปนชาวสเปนเขายังทำบาติกอยู่ไหมครับพอเขาเลิกตั้งนานแล้วเขาไปทำงานบริษัทขายแว่นตาขายแว่นตาแล้วนี้ตอนนี้ก็กำลังจะเกษียณพอดีครับโรเบิร์ตกับใครน่อีกคนคู่หูเขาออาีอาีตายไปแล้วอาีเสีย้อารีตายไปแล้ว เมื่อสี่ห้า 4, ปีก่อนโรเบิร์ตเขา เ, เ, เคยเขาเาเคยแวะมามาเที่ยวเมืองไทยครับตนตามหาพระจากนเจอไม่กลับหรออ๋อก็ติดต่อกันมาตลอด อ, อ, ลอ๋อหครับพอดีน้องสาวเขาเขาส่งส่งไปแฮปปี้นิวเยียมาให้ทุกปีเหมือนก็เลยยังติดต่อกันอยู่ครับมิจฉาหาย ไ, ไม่มเลยาเล่นพวกเฟซบุ๊กนี้ก็เข้าไปได้ก็ไม่ใช่ ไปค้นหาได้เลยนี่น้องสาวคนนี้ค่ะเขาติดตามผ้าจา์ตลอดโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ไม่รู้จักกันเป็นน้องสาวแท้ๆเลยน้องสาวคนเล็กค่ะแล้วนี่ก็คนคนที่สามแล้วก็คนทก่สี่ห้าหกไม่เคยเจอเมองสมัยที่ทำงานไม่เคยมาจอจ์นสโตได้ จอร์นได้ไหมคะเรือจร์นคะเรือสงกรานต์คนที่เป็นออสเตรเลียใช่มคนไหนแต่งงานไอครีมเลอร์มาให้มาคยเจออเน่ะอก็ไบรอันผมก็โทรไปหาเขาครั้งหนึ่งก็ยินดีตอบโทรศัพท์มาว่าไปหาเาอยู่ซาเโตอนนี้ยังอยู่เลยยังอยู่ครับ่ไบรได้เคยมาทําัวในี้ใช่ใช่ ก็ดีตากความคิดถึงก็ด้วยครับผมที่รู้ว่าอาจารย์นี่มีลูกศิษย์เต็มมากเดินเมือนแล้วตอนเนี้ยแต่วผมยังอยู่ในปากอยู่เลยก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ใครก็คิดบวชเพื่อความผมเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ปางซอยสี่แล้วที่อาจารย์ทำอะไรเล่าให้น้องฟังเสมอว่าทำไมท่านถึง ตัดสินใจบวชในภูมวัฒน์ศาสนาผลไม้ถุงหนีไปขกาะล้างอกลับมาอีกทีเป็นปลาย่ามไปนั้นยังอยู่ไหมครับขอย่าทิ้งไปเหมืดแล้วทิ้งหมดเราจะกลับเมื่อไหร่กลับอเมริกาละครับวันที่สิบเก้าครับ มาบ่อยไหมปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งหลังจากหลังจากหกสิบหลังหกสิบเจ็ดมาแล้วเนี่ยเอ้หกสิบห้าครับลูกมาได้กลับทุกปีเพราะว่าทำงานมาเยอะยังมีบ้านอยู่ที่นี่ป่ามีครับมีอยู่นะออกลับมาอยู่บ้านเก่าดีกว่านะแกแล้วอยากมากแต่ว่าเรามีธุรกิจเล็กๆอยู่ที่นู่นก็ยังเป็นห่วงลูกยังจใจมัน ลูกไม่ใช่ของเราท่านเพิ่งบอกเมื่อกี้นี้แต่มันก็อกไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มทมลายอย่างที่ท่านทาเลยเราถึงได้ยังอย่ังอยู่เหมือนเดิมไะท่านพิชแปกกับเรายังละไม่ได้ท่านเดินลงไปในน้ำมาชูมือขึ้นมาเนี้ยผมจำได้พวกเพื่อนนั่งอยู่บนในทายหาดเนี่ย ไปลยเฮ้ยเฮ้ยท่านอยากให้พูดดีกว่า น, นี้ถายวิดีโออยู่กมดเความจริงไม่ตายอยู่แล้วเนะความจริงไม่ตายท่านนีก็ต้องบอก้วยสิว่าท่านอะหล่อมากเป็นเป็นเหมือนอินเดียแดงนะคะ <c oughs> ศรัทธท่านเห no ็นตั้งแต่ก่อนจะบวชว่าท่านพยายามศึกษาธรรมะมากแค่ไหนหเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจถึงธรรมะอิงจริงตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชนะคะจนกระทั่งท่านตัดสินใจท่านทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้เห็นเป็ธรรมช่านถได้บวชจนตั้งแต่ ก, ก่อนบวชมาคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเราบ้า หลายๆคนหลายๆคนคือคิดไม่เป็นอ่ะไม่กี่ทีนานข้นเรื่องลงไปในน้าแล้วนาเรนะครับเดี๋ยวต้องไปถามเขาดูทีหลัง้ว่ารู่านานนานเกินกำหนดเพื่อนผูงแหงงานกนอยู่เจ็ดแปดคนเนี่ยในอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อย b e h a v i ะ r ทั่วไป จเพื่อนนี่ร้องไอหากเราเฮ้ยไหนๆเปลเนี่ยไม่ขึ้นมาสักทีไขึ้นมาสักทีอ่ะมันนานเกินไปดูดีๆโผล่พดขึ้นมาอะไรอ่าไม่ท่านสมาธิอ่ะมันนมมืออยู่เนอหัวนะคะน้อมมืออยู่เนอะหัวท่านลงไปนั่งย้นนั่งหยุาไนาผมเคยดูในในในงที่พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านอาาทธสร้้จ้านลงไปอ อืมครับจริงค่ะ ท, ท่านท่านทําท่านทําเหมือนอย่างที่ที่ตามหนังสือจากศิลิ ก, กาบอกนะคะเหอแล้วท่านก็ยังพยายามจะว่าท่านจะอยู่ได้ไหมโดยที่ไม่มีอาหารที่เขาบอกถึงแม่ท่านยิ้วผลไม้ไปถุงแล้วข้ามเรือไปเกาะล้านไปอยู่ที่หาดเทียนเจ็ดวันนะฮะประมาณไม่กี่วันสองสามวันสองสามวันทนไม่ไหว ไม่พอดีก็มีเพื่อนไปพอดีคไปตามพอดีอคนไ ป, ไปตามแล้วมีคนเคยพูดว่าพระอาจารย์สมัยสภายย่ามจำได้ไหมตั้งกบไปที่วัดบางวรใช่ไห ม, มแล้วไปนั่งไปนั่งอยู่ข้างอะไรก็ไรูตรงแถวๆนั้นนะ่ะบริเวณในใ น, นในสวนในต้นไม้ไปนั่ง นุ่งเกงยีนนะครับยาวผมยาวไม่หรอกตอนนี้ผมซ่อมแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ไปนั่งหรอกไปเพื่อที่จะไปไปหาข้อมูลที่จะบวชไงจุนภาพ <c oughs> มาเห็นเนี <c oughs> ่ยแต <c oughs> ่ <c oughs> ไม่ได้ไปนั่งหรอกไปแล้วก็ไปหา <c oughs> พอดีเห็นภาพฝรั่งเดินมาก็เลยไปคุยกับเขาบอก<ะ>ว่าอยากจะมาบวชที่นี่ทํายังไง เขาก็เลยพาไปหาพระฝรั่งที่เป็นที่บวชนานให้ไปคุยเพราะคนที่เราเจอเข้าเพิ่งบวชใหม่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็เลยแนะนําพาเราไปหาพระเถละพระชาวอังกฤษบวชมาสิบปีแล้วเราก็ไปกราบแล้วก็ไปเล่าว่าเราได้ปฏิบัติทำมาอย่างไรอยู่ปีหนึ่งแกฟังแล้วแกก็สนใจดีใจยินดีพาไปกราบสมเด็จจา้จาเราว่า น, นั้นท่านสทานทนาธรรมเป็นสามปีกับเาาบข<อ>าข้าตรงนี้คเขาก็เลยสนใจเขาก็เลยพาไปว่าไปกราบสมเด็จให้ทราบว่าอยากจะบวชสมเด็จก็เลยถามว่ามีพ่อแม่หรือเปล่าเพราะว่าจะบวชต้องให้พ่อแม่อนุญาตท่านก็บอกว่าให้พาพ่อแม่มาพบแล้วก็เลยกลับไปบ้านแล้วก็บอกแม่ว่าจะบวชแล้วนะ แต่ต้องไปไปไปไปพบกับสมเด็จก่อนแป๊ก็เลยไปไปด้วยกันสมเด็จนี่คือสมเด็จ ส, สังฆราชที่ถ<ม>ูกเสียไปเนี่ยอือ<ม><ม>ตอนนั้นท่านเป็นเจ้าวัดวัดบัวเป็นตอนนั้นเป็นสมเด็จพยานสังวรยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชครับท่างก็นัดวันบวชให้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้บวช บวชเราก็ไม่ได้บอกใครบวชคือบวชนั่นเพผมยังทราบอะไรมาทราบอีกทีมีคนไปบวชงานบวชเราสี่คนนั่นแ่ะแม่ไปแม่แม่กับพ่อแล้วก็น้องสาวกับกับกับลูกพี่น้องน้องคนสี่คนอ่านี่ครบวชแล้วอยู่ที่วัดบวรสักเดือนครึ่งแล้วก็ไปไปอุดรน่ะครับไปแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เห็นท่านครั้งแรกเลยที่ทราบท่านบวช ก็ภาพจากในปุติในป่าที่อุดรรู้สึกน้องแอดป่อมาให้ดูพ่อแม่าเขาก็ไปเยี่ยมครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ที่วัดนั้นเขาไม่ต้องการให้ใครไปรบกวนพระแล้วก็บอกไม่ต้องมาเยี่ยมหนาะมีอะไรก็จดหมายมาก็ได้พ่อแม่เขาก็เลยไปครั้งเดียวครับแล้วท่านท่านอยู่ที่นั่นกี่ปีอยู่ทั้งหมดก็แปดปีกว่าอยู่อุดรนะครับแต่พอดีพ่อไม่สบาย ก็เลยมาตอนโ อ, อ้ทานกับร้านข้าวมันไก่ใช่ไหมพี่ที่ซอยอะไรนะอ่าที่ซอยไอ้ที่วัดบุญใช่ไหมเราซายวัดบุญแต่ก็เสียที่นั่น อ, อะเราก็ไปอยู่ที่วัดโพอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนบ้งแปดเก้าเดือนใจขาดเสียแล้วก็เลยอยู่จำพรรษาที่นั่นพอออกพรรษาก็มาอยู่ที่นี่ต่อปี อ่าปีสองเจ็ดปีสองเจ็ดหลังจากวัดโพแล้วก็มาที่อ่มาอยู่ที่นี่เลยต่นั้นมาก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ตลอดก็ตุงก็เคยมาครั้งสองครั้งไม่ใช่ยผมไม่เคยมาเยคยมามาๆกับแม่ครั้งไม่ใช่เผยแพะพาแม่ขึ้นมาบนเขานี่หว่าจำไม่ได้ไปพบท่านเลอไม่ได้พบท่านมานาไม่ได้มากราบมาาก็เคยไปไปไปไปพบที่ร้านครั้งไม่ใช่ที่ขายของร้านซอยสี่นะครั้งพัทยาพาเลสเล ตอนน้นเราเปิดร้านขายของใช่ไหหนังอ่อ๋อสิรินดิบิตี้อะไรนั่นแหะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของของของเรลวอ่าอ๋อซอยหกอ่าซอยหบแล้วก็อ๋อสิรินดิบิตี้แล้วคุหน่อยเหรอครับคุณหนายเสียไปแล้อนานแล้วเหรอครับก็หลายปีแล้วเราก็ไม่ทราบพอดีเรา รู้จักคนที่ทํางานอยู่ในเมืองพัทยาให้เข้าไปค้นทะเบียนบ้านดูว่ามีชื่อนี้อยู่ในเพราะเรารู้ว่าเขามีบ้านอยู่พัทยาบ้านอยู่ที่ลุมพาก็ตอนหลังเขาย้ายมาอยู่ที่ซอยพัทยากลางใกล้ๆพูทธแลงคุณลอยเลนะแล้วข้างสุดท้ายเคยเจอเคยทราบว่าเขาอยู่แถวนั้นก็เลยลองให้คนที่ทํางานเมืองเข้าไปค้นทะเบียนดูเขาก็ไปเจอว่าเสียชีวิตแล้วอเสียชีวิตแล้ว ยังไม่ <Okay. S 2> ค่อยแข็งก็แรงอยู่นะพอแล้วบางวันนี้เดียวคนอื่นก็ฟังแล้วก็จะเบื่อเผมก็ลืมตัวขอขอขอโทษครับเราจะกลับแล้วอาจารย์ละเราจะกลับพีหน้าก็มาใหม่พรีหน้ามาใหม่โชคดีนะเดือดแรงไหมอ้า แล้วจอ์สโตไปไหนล่ะเสียแล้วเหรอมันจรนแหละค่ะอยู่ค่ะอยู่เกาะสมุยค่ะเดี๋ยววันเสารขึ้นมาค่ะอก็เป็นโรคหัวใจค่ะจะทำบายพาสและตอนนี้ใส่กล่องแล้วอยู่กับเข้าเลยอ๋อก็้ะอยู่กันก็นีสามสิบแปดปีแล้วค่ะก็ไปอยู่ที่เกาะสมุยได้กันลุงหนูไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนจอมเทียนด้วยแล้วก็ไปเกาะสมุยด้วยค่ะตอนนี้ก็เสียณหมดแล้วค่ะ แล้วคุณจอ์ก็ชอบทะเลเขก็ขขขร้านลายอยู่ตรงนั้นแล้วก็พัทยาเขาก็ไม่ชอบแล้วบางพวกพลาดนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ยนเะมื่อก่อ น, นเงียบอย น, นอกจากมหาคุณหมอทีก็มาที่นี่ค่ะที่โรงพยาบาลซีราปิยมมหาลัยจันทร์ดีมากเลยใช่ไหม โยมแม่เราก็ไปที่นั่นเหมือนกันแกไปทำถ่าหัวใจไอไปทําใบพอคุณแม่ดูเห็นบ่อยเลยเอคุณคุณแม่คุณพ่อค่ะตอนนั้นหนูมียอดขับอยู่ที่ซอยสามคุณแม่คุณพ่อขับรถมานั่งทะเลาะลาค่ะลาพระท่านค่ะสาธุทำไม่มาบอกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเพราะมัน จนพี่ตุงคิดมากิดมาจำได้คือมองจะเรบมองบอถ้ามีบุญก็ได้เจอลงมาะถ้าเผ่ไม่มีบุญก็ไม่ได้เจอวันนี้คงไม่ต้องถามทั้งบ้านนะหรือมีอะไรอ่ว่างไงเอานี่มีอะไรหรือเปล่าก็เขาจะมาคิไม่ค่อยได้ ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปพุโทโธพุโทโธไปพยายามพยายามอย่าไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาอล้ามันไม่ได้มันจะเป็นก็เป็นไปร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราต้องทิ้งมันให้ได้สักวันหนึ่งมันต้องจากเราไป งั้นวันนี้คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ดีที่จะตอบปัญหาแนละ้วมันสเปสปะไปเรื่องอะไรงั้นอ๋อไม่ๆๆไม่ไม่หรอกไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรเพีเยงแต่ว่ามันก็คาถามเขาก็ถามได้ทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เขา้ามาถามใหม่ได้แล้วส่วนใหญ่ก็ถามซ้ําๆกันอยู่มาก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะ ก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ